พระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สามทีฆานิกายปาติกวกัคขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสูตรที่หนึ่งปาติกสูตรว่าด้วยการแสดงปาฏิหารและทฤษฎีการกำเนิดโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวมัลละ ชื่ อ, อนุปิยะในแคว้นมัลละครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาพระขาวะโคตรระบริพาชกถึงอารามของเขาพระขาวะโคตรระบริพาชกต้อนรับเสด็จและได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วสุนักขตตะลิชวีบุตรซึ่งเป็นโอรสของเจ้าลิชวีได้บอกข้าพระองค์ว่าเขาได้บอกคืนพระผู้มีพระภาคแล้ว ไม่อยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคแล้วคำว่าอยู่อุทิศเป็นสำนวนนหมายถึงบวชไม่อยู่อุทิศก็คือศึกหรือลาสิกขาเรื่องที่สุนัขขตะลิชวีบุตรกล่าวแล้วนั้นเป็นจริงหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเป็นเรื่องจริงและตรัสเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อหลายวันมาแล้วสุนัขขตะลิชวีบุตรได้เข้าไปหาเรา บอกคืนพระผู้มีพระภาคจะไม่อยู่อุทิตพระผู้มีพระภาคเมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวว่าสุนัขตะเราได้กล่าวกับเธอบ้างรู้ว่ามาเธอสุนัขตกเธอจงอยู่อุทิตเราเขาตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าก็หรือเธอได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะอยู่อุทิตพระผู้มีพระภาค หาม่ได้พระพุทธเจ้าข้าเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครเธอบอกคืนใครโมคาบูรุธเธอจงดูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อเนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์เลยสุนัขตะเราได้กล่าวกับเธอบ้างรือว่า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 เขาตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขตะจริงๆแล้วเราไม่ได้กล่าวกับเธอเลยทั้งเธอก็ไม่ได้กล่าวกับเราเลยดังกล่าวนั้นโมคะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเป็นใครจะบอกคืนใครสุนัขตะเราจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือไม่แสดงก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข โดยชอบแก่ผู้กระทาตามหรือไม่ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ธรรมะที่ทรงแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทาตามพระพุทธเจ้าค่าสุนคัตตะเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่เราแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์จะก่อผลอะไรได้เล่าโมคาบุรุษเธอจงดูเถอะว่า การพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคมิได้ประกาศทฤศดีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกแก่ข้าพระองค์เลยสุนัขัตัเราได้กล่าวกับเธอบ้างหรือว่ามาเถอะสุนัขัดตะเธอจงอยู่อุทิศเราเราจะประกาศทฤศดีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกแก่เธอ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 เธอเป็นใครจะบอกคืนใครสุนัขตตะเราจะประกาศทฤษฎีว่ารูต้นกําเนิดของโลกหรือไม่ประกาศก็ตามธรรมะที่เราแสดงแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทำตามหรือไม่เขาตอบรับว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้กระทาตามพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขตตะ จะเคยกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์ที่กรุงเวสาลีด้วยเหตุผลหลายอย่างตามความเป็นจริงข้อนี้สุนัขตะได้สรรเสริญดังจะกล่าวโดยย่อดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและเจรณะพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติ จะเพึงเห็นชัดด้วยตนเองพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสุนัขตะเราขอบอกเธอเราขอเตือนเธอจะมีผู้ด่า ว, ว่าเธอได้ว่าสุนัตตลิชุวีบุตรไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมได้เมื่อไม่สามารถประพฤติได้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 พักวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่นิคมของชาวถูลูชื่ออุตรากาในชุมชนชาวถูลูครั้นในเวลาเช้าเราเข้าไปยังอุตรากานิคมเพื่อบินธบาตมีสุนัขขัดตะลิชวีบุตรเป็นปัจฉาสมาะหมายถึงพระติดตามสมัยนั้นมีนักบวชเปลื่อยชื่อโกรักติยะประพฤติอย่างสุนักคือคลานไปด้วยข้อสอบและเขา กินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากสุนัขขตลิชวีบุตรได้เห็นเขาแล้วจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าสมณะคลานไปด้วยข้อศอกและเขา่ากินอาหารที่กองบนพื้นดินด้วยปากเป็นรัะอรหันชั้นดีครั้งนั้นเราได้รู้ความํำพึงของสุนัขัตาด้วยใจจึงกล่าวกับเขาว่าหมู่คาบุรุษแม้คนเช่นเธอ ก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยะบุตรอยู่หรือเขาได้กล่าวว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญฉนไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกข้าพระองค์อย่างนี้สุนักขัด ต, ตะเธอได้เห็นนักบวชเลื่อยโกรักติยะผู้ประพฤติอย่างสุนักได้มีความคิดว่าเขาเป็นพระอรหันต์ชั้นดีมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาค ยังทรงห่วงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมคาบฺรุษเรามิได้ห่วงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นผิดนี้ขึ้นเธอจงละความเห็นผิดนั้นซะความเห็นผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนักขัด ต, ตะนักบวชเปลือยโกรักติยะที่เธอเข้าใจว่า เป็นสมณะผู้เป็นพระอระหันต์ชั้นดีนั้นอีกเจ็ดวันจะตายด้วยโรคอัลาส ก, กับหมายถึงโรคที่เกิดจากอาหารไม่ย่อยแล้วจักไปเกิดในหมู่อสูนชื่อกาและกันชิกาซึ่งต่ำต้อยกว่าหมู่อสูนทุกประเภทข้อนี้หมายถึงอสูนที่มีตัวสูงสามคาวุฒมีเนื้อและโลหิตน้อยมีตาติด บ, บนศีรษะคล้ายตาปู มีปากเท่ารูเข็มบนศรีรษะก้มตัวลงกินอาหารด้วยปากเล็กๆนั้นภรขวะครั้งนั้นสุนัขขตตะลชวีบุตรได้เข้าไปหานักบวชเปลือยโกรักคติยะถึงที่อยู่แด้เล่าเรื่องที่เราพยากรณ์ให้ฟังและบอกให้โกรักคติยะควรกินอาหารแต่พอสมควรและดื่มน้ําแต่พอสมควรเพื่อทําให้คําพูดของพระสมณโคดมผิดไป พักวะตอนนั้นสุน a ต k a ไม่เชื่อตถาคตจึงนับวันและคืนตลอดเจ็ดวันโดยเริ่มจากวันที่หนึ่งล่วงไปจนถึงวันที่เจ็นักบวชเหลือยโกรคัติยะได้ตายและเป็นไปตามคำพยากรณ์ทุกอย่างพักวะครั้งนั้นเราได้กล่าวกับสุน a t k a t เรื่องผลของการพยากรณ์สุน a ต k ตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไว้อย่างไรผลของการพยากรณ์เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยสุนัขตะเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อนี้ถือว่าเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หรือยังไม่ได้แสดงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วแน่นอน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 พะขาวะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีขณะนั้นนักบวชเปลือยชื่อกลารมัชกะอยู่ที่วัดชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาถือสมทานวัดบทเจประการคือหนึ่งเป็นคนเปลือยไม่นุ่งห่มผ้าตลอดชีวิต 2. ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนตลอดชีวิต 3. ดำรงชีพด้วยสุราและเนื้อสัตว์ไม่กินข้าวและขนมกุมมาสคือขนมสดตลอดชีวิต 4. ไม่พึงล่วงเกินอุเทนเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงเวสาลี 5. ไม่พึงล่วงเกินโคตมาเจดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้แห่งกรุงเวสาลี 6. ไม่พึงล่วงเกินสัตว์ตามพระเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกแห่งกรุงเวสาลีเจดไม่พึงล่วงเกินประหุปุตตกาเจดีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแห่งกรุงเวสาลีดังนี้เพราะการสมทานวัดบทครบเจ็ประการนั้นเขาจึงถึงความเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยลาบและยศที่วัดชีคามพระควะครั้งนั้นสุนัขะตาลิชวีบุตร เข้าไปหานักบวชเปลือยกะลาธรรมชกะถึงที่อยู่แล้วถามปัญหาเขาถูกถามปัญหาแล้วไม่สามารถตอบปัญหาของสุนัขขะตะเลชวีบุตรนั้นได้ถูกต้องจึงแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่แช่มชื่นให้ปรากฏขณะนั้นสุนัขขะตะเลชวีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้รูกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วขอความผิดนั้น อย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เราตลอดกาลนานเลยครั้งนั้นสุนัขคตะได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วนั่งนั่ที่สมควรเราได้ตรากับสุนัขคตะดังนี้ว่าโมคาบุรุษแม้คนเช่นเธอก็ยังปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะสักยบุตรอยู่หรือเขาเดีกหล่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนั้นสุนักขตะเธอเข้าไปหานักบวชเลอยกลารมมฉกะแล้วคิดว่าได้ลุกรานสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีแล้วไม่ใช่หรือชายพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคก็ยังห่วงความเป็นพระอรหันต์อยู่หรือโมคาบุรุษเรามิได้ห่วงความเป็นพระอรหันต์เลยแต่เธอได้เกิดความเห็นผิดนี้ขึ้น เธอจงละความเห็นผิดนั้นเสียความเห็นผิดนั้นอย่าได้มีเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เธอตลอดกาลนานเลยสุนัขะตะนักบวชเปลือยกาลาธรรมชกะที่เธอเข้าใจว่าเป็นสมณะผู้เป็นพระอรหันต์ชั้นดีนั้นอีกไม่นานเขาก็จะกลับนุ่งห่มผ้ามีพันยากินข้าวและขนมกุมมาดล่วงเกินเจดีที่มีอยู่ในกรุงเวสาลีทั้งหมด กลายเป็นคนเสื่อมยศแล้วจักตายไปภรควะต่อมาไม่นานนักบวชเปลือยกลารรมฉะ ก, กะก็เป็นไปนดังคำพยากรของเราสุนักขตาลิชวีบุตรได้เห็นว่าคำพยากรเป็นจริงก็ยอมรับว่าเราได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ให้เขาได้ประจักษ์แล้วเราจึงถามเขาว่า เธอยังจะกล่าวกับเราว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเรื่องนักบวชเปลือยชื่อปาติกระบุตรพระควะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่กูตาค า, ารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นสมัยนั้น นักบวชเปลือยชื่อปาติกกบุตรอาศัยอยู่ที่วัดชีคามเขตกรุงเวสาลีถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบและถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศเขาชอบพูดปวดในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นยานวาดเราก็เป็นยานวาดด้วยยานวาดในที่นี้หมายถึงลัทธิที่เข้าใจว่าตนรู้สัพพญุตยาน และกล่าวอ้างเรื่องสัพพัญญุตยานว่าเรารู้ทุกสิ่งเขากล่าวว่าผู้เป็นยานวาดควรจะแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์กับผู้เป็นยานวาดด้วยกันขอให้พระสมณะโคดมเสด็จมาครึ่งทางแม้เราก็จะไปครึ่งทางณที่พบกันนั้นเราทั้งสองพึงแสดงอิทธิปฏิหารอันเหนือธรรมดาของมนุษย์ด้วยกัน ถ้าพระสมณาโคดมจกทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์หนึ่งอย่างเรจาจะแสดงสองอย่างถ้าพระสมณโคดมจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์สองอย่างเราจะแสดงสี่อย่างพระสมณโคดมจะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์มากเท่าใดเท่าใดก็ตามเรจาจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณ ภระวะสุนัขขตลิชวีบุตรเข้าไปหาเราถึงที่อยู่แล้วเล่าเรื่องปาติกบุตรที่กล่าวดังนั้นให้เราฟังเราได้กล่าวกับสุนัขขตะว่าสุนัขขตถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดดังเดิมไม่เปลี่ยนก็อาจไ ป, ปเผชิญหน้ากับเราได้ แต่ศีรษของเขาจะพึงแตกแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรักษาพระวาจานั้นเถอะสุนัขตะชั้นไหนเธอจึงกล่าวกับเราอย่างนี้ล่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคตรัสวาจานี้โดยในเดียวดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปฏิกบุตร อาจแปลงรูปมาเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคก็ได้ในตอนนั้นระดารัสของพระผู้มีพระภาคก็จะเป็นเทศสุนักขตตะตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็นสองในบ้างไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยพระไยว่าจะเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ หรือว่าเหล่าเทวดากราบทูลความข้อนี้แด่พระผู้มีพระภาคเราสุนัขัตตะเรากําหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราและเหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แก่เราแม้เสนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออชิตตซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อเร็วนี้ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก็ได้เข้ามาบอกเราอย่างนี้ว่า นักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จทั้งได้พยากรณข้าพระองค์ที่วัดชีคามว่าเสียนาบดีของเจ้าลิชวีชื่ออาชิตะไปเกิดในมหานรกข้าพระองค์ไม่ได้ไปเกิดในมหานรกแต่ไปเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเปลือยปาติกบุตรเป็นคนไม่ละอายเป็นคนพูดเท็จถ้านักบวชเปลือยปาติกบุตร ยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับพระผู้มีพระภาคได้และถ้าอาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เพราะเหตุ น, นี้แหละเรากำหนดรู้ใจของนักบวชเปลือยปาติกบุตรด้วยใจของเราและเหล่าเทวดาก็ได้บอกความข้อนี้แก่เรา สุนักขักตตเราจะเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วจะเข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกบุตรเพื่อพักกลางวันถ้าเธออยากจะบอกก็จงไปบอกเขาเดี๋ยวนี้พคขาวะครั้นในเวลาเช้ากลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้ว เข้าไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกระบุตรเพื่อพักลังวันครั้งนั้นสุนัขคตาลิชวีบุตรรีบเข้าไปยังกรุงเวสาลีแล้วเข้าเฝ้าพวกเจ้าลิชวีที่มีชื่อเสียงทูลว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จไปยังอารามของนักบวชเปลือยปาติกระบุตรขอพวกท่านจงรีบออกไปจากมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ ของพวกสมณะชั้นดีสุนัขตะลิชวีบุตรเข้าไปหาพวกพระมหาสารกษัตริยบดีผู้มั่งคัง่งและสมณะพระมหมรติต่างๆผู้มีชื่อเสียงแล้วบอกเรื่องจกมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ภควะนักบวชเปลือยปาติกบุตรได้ฟังข่าวว่าพวกเจ้าลิชวีผู้มีชื่อเสียงพระมหาสารกษัตริยบดีผู้มั่งคัง่ง และสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากแต่งพากันมาแล้วแม้พระสมณโคดมก็ประทับพักลังวันอยู่ที่อารามของเราจึงเกิดความกลัวความสะดุ้งขนพองสยองกล้าวครั้งนั้นนักบวชเปลือยปาติกบุตรกลัวตัวสันขนพองสยองกล้าวหนีไปยังอารามของตินทุกขานุ ป, ปริภาชก เราบริษัทนั้นได้เรียกบุรุษไปตามถึงยังอารามนั้นบอกว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแล้วพวกเจ้าลิชวีพระมหาสารกษัริยบดีผู้มั่งคั่งและสมณะพระรัตทิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันมาแล้วเมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้นักบวชเปลืยปาติกบุตรจึงกล่าวตอบว่าเราจะไปเราจะไปแล้วซบศีษะ อยู่หน้าที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นบุรุษนั้นได้กล่าวกับนักบวชเปลือยปาติกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านเป็นอะไรเล่าตะโพกของท่านติด ก, กับต่างหรือหรือว่าต่างติด ก, กับตะโพกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแต่กลัสบซบศีรษะอยู่หน้าที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้นักบวชเปลือยปาติกบุตร แม้ถูกบุรุษต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้เมื่อบุรุษนั้นได้ทราบว่าปาติกบุตนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงกลับมหาบริษัทนั้นแล้วบอกเรื่องนี้ให้ทราบ เมื่อบุรุษนั้นกลับมาบอกอย่างนี้เราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเปลืยปาติกบุตรยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาะเผชิญหน้ากับเราได้และแม้จะยังไม่สลัดความเห็นนั้นมาเผชิญหน้ากับเราได้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่ ครั้งนั้นมหาอ ม, มาตย์ของเจ้าลิชวีคนหนึ่งบอกให้รอสักครู่แล้วอาสาจะไปเชิญปาติกบุตรมาก็ไม่เป็นผลปาติกบุตรได้แต่กล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นชาลิยะบริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปปาติกะอาสาเป็นนานักบวชเบื่อปาติกบุตรมายังบริษัทนี้ให้ได้ ก็ไม่เป็นผลเหมือนเดิมเมื่อชายรยาริพาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปปติกะนั้นได้ทราบว่านักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปเราก็โศกศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงกล่าวกับนักบวชเปลือยปาติกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือราชสีเจ้าแห่งสัตปา คิดว่าทางที่ดีเราพึงอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่พึงออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นครั้นบิดกายแล้วพึงเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศครั้นเหลียวดูไปรอบรอบทั้งสี่ทิศแล้วพึงบรรลือสีหน้าสามครั้งครั้นบรรลือสีหน้าสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินเล่านั้นล่าหมูเนื้อตัวล่ําสันกินเนื้อนุ่ ม, มแล้วกลับมาซ่อนตัวอยู่ตามเดิม ราชสีคิดแล้วก็ทำตามนั้นท่านปฏิกระบุตรมีสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งจเจริญเติบโตโด้วยการกินเนื้อที่เป็นเดนของราชสีเจ้าแห่งสัตว์ป่านั้นนั่นเองอ้วนทวนมีกำลังต่อมาสุนักจิ้ง จ, งจอกแก่ตัวนั้นเกิดความคิดดังนี้ว่าเราเป็นใครราชสีเจ้าแห่งสัตว์ป่าเป็นใครทางที่ดี เราควรอาศัยป่าทึบบางแห่งซ่อนตัวอยู่พึงออกจากที่ซ่อนในเวลาเย็นพึงบิดกายพึงเหลียวดูไปรอบๆทั้งสี่ทิศพึงบรนลือสีหนาสามครั้งครั้นบรนลือสีหนาสามครั้งแล้วจึงออกไปหากินครั้งนั้นสุนักจิงจอกแก่ตัวนั้นทําตามที่คิดออกจากที่ซ่อนแล้วจึงคิดว่าเราจะบรรลือสีหนาา แต่กลับร้องเสียงสุนัขจิ้งจอกออกมาสามครั้งร้องอย่างเสียงสุนัขจิ้งจอกนั่นเองสุนัขจิ้งจอกผู้ต่ำสามเป็นใครและการบรรลือดีหานาศมีผลเป็นอย่างไรท่านปาติ ก, กรบุตรท่านก็เป็นเช่นนั้นดำรงชีพตามแบบพระสุคตบริโภคอาหารที่เป็นเด่นพระสุคตยังสําคัญพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าควรท้าทายได้ ถามว่าปาติกบุตรผู้ต่ำสามเป็นใครและการท้าทายพระตถาคตผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดผลเป็นอย่างไรเมื่อชาลียะบริภาชกไม่อาจที่จะให้นักบวชเปลือยปาติกบุตรลุกจากที่นั่งนั้นได้แม้ด้วยข้ออุปมานี้จึงกลับมาหาบริษัทนั้นแล้วบอกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลือยปาติกบุตรนี้แพ้แล้ว แต่ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบ ศ, ศรีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้พักวะต่อจากนั้นเราจึงชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกล้าวกล้าลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงเปลื้องให้พ้นจากเครื่องผูกใหญ่ ในที่นี้หมายถึงกิเลสตัญหาหรือสังโยชนิสิบประการได้แก่สักยญทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีลพะตะปรามาสความถือมั่นในศีนลพรษกามราคะความพอใจในกามปฏิฆะความกระทบกระทั่งรูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานอารูปราคะ ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานมานะความถือตัวอุทธะความฟุ้งซ่านและอวิชชาความไม่รู้แจ้งปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงเปลื้องให้ควนจากเครื่องผูกใหญ่คือสังโยชนิประการยกสัตว์ประมาณ 84,000 พันขึ้นจากห้วงน้ำใหญ่ที่ข้ามได้ยาก ่วงน้ำใหญ่ที่ข้ามได้ยากในที่นี้หมายถึงโอคะสีประการคือ1กามโมคะพ่วงน้ำคือกาม2ภวพะโอคะพ่วงน้ำคือภพบ3ทิโธคะ่วงน้ำคือทิฏฐิ4อวิชโชคะพ่วงน้ำคืออวิชชาจากนั้นเราเข้าเตโชธาต ขึ้นสู่อากาศสูงประมาณเจ็ดชั่วลำตาลเนรมิตไฟอื่นให้ลุกโคลงประมาณเจ็ดชั่วลำตาลมีควันตลบสูงแล้วจึงมายังกูตาคารศาลาป่ามหาวันภัควะครั้งนั้นสุนคตะลิชวีบุตรได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ยอมรับถึงผลแห่งการพยากรณ์ของเราว่าเกิดขึ้นจริงและยอมรับว่าถือว่าได้แสดงอิทธิปาฏิหาร อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แล้วเราจึงกล่าวว่าโมคคาบุรุษถึงอย่างนี้เธอยังจะกล่าวกับเราผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงสแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเหนือธรรมดาของมนุษย์แก่ข้าพระองค์อยู่อีกหรือเธอจงรูเถิดว่าการพูดเช่นนี้เป็นความผิดของเธอมากเพียงไร พระวะสุนัตตะลิจวีบุตรเมื่อถูกเราต่อว่าอยู่อย่างนี้ได้หนีไปจากธรรมวินัยนี้แล้วเหมือนผู้ควรเกิดในอบายกลับไปตกนรกฉะนั้นเรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกพระกวะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลก หมายถึงวิวัฒนาการการเกิดขึ้นและประวัติความเป็นไปของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นในที่นี้หมายถึงรู้ชัดตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาจนถึงสัมพัญยุตยานและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นไปจึงไม่ยึดมั่นในที่นี้หมายถึงไม่ยึดมั่นสิ่งที่รู้ชัดด้วยอำนาจตัญหาทิฏฐิและมานะเมื่อไม่ยึดมั่น จึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองในที่นี้หมายถึงกิเลสนิพพานความดับกิเลสที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดําเนินไปสู่ความเสื่อมในที่นี้หมายถึงไม่ประสบความทุกข์คือทุกข์เพราะไม่ได้บรรลุนิพพานภัวะมีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเราจึงเข้าไปถามเขาอย่างนี้ว่าทราบว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลัทธิอาจารย์ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างจริงหรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเราจึงถามต่อไปว่าพวกท่านประกาศทฤษฎีนั้นมีความเป็นมาอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถูกเราถามอย่างนี้เราก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามเราเราถูกข้อถามแล้วจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานนนโลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศรอสาสต์ส่วนมากไปเกิดในพรหมโลกฉันอภัสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหาร มีรศมีร่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานนานโลกนี้กลับเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งผู้จุติจากพรหมโลกชั้นอภัสระเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญ มาเกิดที่วิมานพรมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรสมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนนานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงรู้สึกเบื่อเกิดความปรารถนาขึ้นว่าโอ๋หนอแม่สัตว์เหล่าอื่น พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุติจากพรมโลกชั้นอภัสราเพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญมาเกิดที่วิมานพรมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส้างออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศ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 เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดเราบรรดาสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ้หนอแม่สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วข้อนี้หมายถึงพระพรหมท่านแรก ที่ไปเกิดแต่เพียงผู้เดียวในวิมานอันว่างเปล่าได้คิดว่าอยากให้มีสัตว์อื่นเกิดขึ้นมาอยู่ร่วมกับเราบ้างและไม่นานสัตว์เหล่าอื่นได้เคลื่อนมาเกิดในพบในวิมานอันว่างนั้นด้วยกรรมของตนดังนั้นจึงหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นผู้สร้างสัตว์เหล่านั้นขึ้นมาแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ท่านพระพรหมผู้เจริญนี้เป็นเท้ามหาพรมมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลผู้ประเสริฐผู้วงการผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญองค์นี้บรรดาลพวกเราขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราได้เห็นพระบพรหมองค์นี้เกิดในที่นี้ก่อน ส่วนพวกเราเกิดมาภายหลังท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสัตว์พวกนั้นผู้เกิดก่อนมีอายุยืนกว่ามีผิวพรรณงดงามกว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้เกิดภายหลังมีอายุสั้นกว่ามีผิวพรรณซามกว่าและมีศักดิน้อยกว่าข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจติจากชั้นมหาพรหมแล้วมาเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากชาตินั้นไป ระลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างผู้บรรดาลเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกําลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบรรดาลพวกเราขึ้นมาท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนจะดํารงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรหมผู้เจริญนั้นบันดาลขึ้นมา กลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภควะอันหนึ่งเรารู้ชัดทิษดีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทิษดีนั้นและรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคต จึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมพระเขวะมีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่าคิดทาปโทสิกะหมายถึงเทพผู้เพลิดเพลินในการเล่นจนเป็นเหตุให้ได้รับโทษคือต้องจุติจากพรมโลกเราจึงเข้าไปถามพวกเขาถึงเรื่องนี้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นกลับตอบไม่ได้และย้อนถามเราเราถูกข้อถามจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีเทพเหล่านึง่งชื่อกิทาปโธสิกะเทพเหล่านั้นมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเส่หฮหาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่จึงหลงลืมสติเพราะความหลงลืมสติจึงพากันจุดติคือเคลื่อนจากพรมโลกแล้วมาเป็นมนุษย์ เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิระลึกชาติก่อนนั้นได้ถัดจากชาตินั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าเทพผู้เจริญทั้งหลายผู้ไม่ใช่ทเทพหลอคิดทาปโธสิกะไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาจึงไม่หลงลืมสติเพราะไม่หลงลืมสติ จึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, จัดลำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่อคิดทาปทสิกะัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานส่วนเสฮหฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติจึงต้องจุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอายุสั้น ต้องจุดติจากเทพมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ภควะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมภควะมีสมณะพราหมณ์บางพวกประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่ามีมูลเหตุมาจากเทพเหล่ามโนปทศิกะ หมายถึงเทพที่ต้องจุติเพราะคิดร้ายกันและกันเราจึงเข้าไปถามสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อถูกเราถามอย่างนี้กลับตอบไม่ได้เราย้อนถามเราเราถูกเขา้ถามจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีเทพเหล่าหนึง่งชื่อมโนปโทสิกะเทพเหล่านั้นมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อคิดมุ่งร้ายต่อกัน จึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจผ่าการจุติจากชั้นนั้นข้อที่สัตผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นคือจากเทพแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นข้อที่เป็นไปได้เมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากชาตินั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่า เทพผู้เจริญทั้งหลายผู้ไม่ใช่เทพเหล่ามโนปโทศิกะยอมไม่มัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควรเมื่อมีคิดมุ่งร้ายต่อกันก็ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى, จะดำรงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนเราเหล่ามโนปโทศิกะมัวจ้องจับผิดกันและกันเกินควร เมื่อคิดวุ้งร้ายต่อกันจึงเหนื่อยกายเหนื่อยใจพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอายุสั้นต้องจุติจากเทพลงมาเป็นมนุษย์อย่างนี้พระเวะก็เรารู้ชัดทฤษฎีว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกที่เมื่อรู้ชัดสถาคตจึงไม่ดําเนินไปสู่ความเสื่อม พระเขวมีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศทิศดีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกตามลทัทธิอาจารย์ว่าเกิดขึ้นเองเราจึงเข้าไปถามพวกเขาสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วก็ตอบไม่ได้ย้อนกลับถามเราเราถูกข้อถามแล้วจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีเทพชื่ออสัญญีสัตว์หมายถึงสัตว์จาพวกไม่มีสัญญา ไม่สวยเวทนาเมื่อมีสัญญาเกิดขึ้นก็เคลื่อนจากพบนั้นทันทีจุติจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้นข้อที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนบวเป็นบรรพชิตอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นบรรลุเจโตสมาธิ เราลึกถึงความเกิดแห่งสัญญานั้นได้ถัดจากนั้นไปเราลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองเพราะเหตุไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีบัดนี้ก็ไม่มีจึงน้อมไปเพื่อความเป็นผู้สงบพักวะก็เรารู้ชัดทิษดีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเรารู้ชัดความเป็นมาของทฤษฎีนั้น แล้วรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและเมื่อรู้ชัดยิ่งกว่านั้นจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ชัดความดับด้วยตนเองที่เมื่อรู้ชัดตถาคตจึงไม่ดำเนินไปสู่ความเสื่อมภควะสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอยู่อย่างนี้ด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงด้วยคําไร้สาระเป็นเทศ ไม่เป็นความจริงว่าพระสมณะโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตไปแล้วพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวาจรเข้าสุภาวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดสิ่งทั้งปวงว่าไม่งามสุภาวิโมกในที่นี้หมายถึงวันนักสินกระสินที่ใช้เพ่งประเภทที่มีสีมีสี่อย่าง คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวภาควะแท้จริงเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเลยแต่เรากล่าวอย่างนี้ว่าในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าสุภวิโมกอยู่ย่อมรู้ชัดแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นภัควะโคตรรบริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าพระสมณโคดมและภิกษุทั้งหลายวิปริตนั้นนั่นแหละเป็นผู้วิปริศข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสามารถแสดงธรรมให้ข้าพระองค์เข้าถึงสุภาพวิโมก์อยู่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภควะการที่เธอซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความถูกใจแตกต่างกัน มีความพอใจแตกต่างกันมีความมุ่งหมายแตกต่างกันมีอาจารย์แตกต่างกันเข้าถึงสุภาวิโมกข์อยู่ได้นี้เป็นสิ่งที่กระทำได้ยากขอให้เธอรักษาความเลื่อมใสในเราไว้ให้ดีเถิดพระกวาโคตระบริพาชกกราบทูลว่าข้าพระองค์จะรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิบนี้แล้วพระค่าว่าโคตรรริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระพาภาคแล้วแหละจบปาติกสูตร